วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้า้อยหกสิบแปดเป็นวันที่มีการแสดงธรรมณสถานที่แห่งนี้เป็นประจำยังมีศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษา มาฟังเทศฟังธรรมตามเวลาดังกล่าวนอกจากวันเสาร์แล้วก็จะมีวันอาทิตย์วันพระวันหยุดราชการวันหยุดเชิดเฉยที่จะมีการแสดงธรรมณนะสถานที่แห่งนี้ท่านที่มีความสนใจก็สามารถมาฟังและมาปฏิบัติธรรมร่วมกันได้ การแสดงธรรมที่นี่จะแบ่งเป็นสองช่วงด้วยกันช่วง30นาทีแรกก็จะเป็นการแสดงธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดศรัทธาภาษาทะเกิดความศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้ว30นาทีหลังก็เป็นช่วงของการนั่งสมาธิเพื่อทาใจให้สงบ ให้เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงวันนี้ทาที่จะมาฝากท่านทั้งหลายก็เรื่องของสิ่งที่หายากในโลกนี้มีสี่ประการด้วยกันที่เป็นสิ่งที่หายากใครได้สิ่งที่หายากทั้งส่ประการนี้ก็จะถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคมีวาชนะมีโอกาส ที่จะได้สัมผัสกับสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดของโลกนั่นก็คือการสัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงรสแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงก็คือรสแห่งวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ที่มีอยู่ที่เป็นอยู่มาเป็นเวลาอันยาวนานน่าจะเป็นต่อไปเรื่อยๆถ้ายัางไม่ได้มาสัมผัสกับรสแห่งธรรมยังไม่ได้มาพบกับสิ่งที่หายากสี่ประการนี้สิ่งที่หายากสี่ประการนี้มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งก็คือการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ การจะมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งนี้ก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วห ล, หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราคือดวงวิญญาณนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็จะต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ก่อน ถ, ถ้าทำถ้าทบุญมากกว่าทำบาปก็จะไปรับผลของบุญไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญก็จะไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นสัตว์เดราชานหรือไปอยู่ในพบในดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์ คือพบของเปรตพบของอสุรกายและพบของนรกพอบุญหรือบาปที่ได้ทำไว้นั้นได้หมดกำลังลงจึงจะได้กลับมารอรับร่างกายอันใหม่ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนว่ามีร่างกายอันใหม่ที่จะได้มาครอบครองกันมากน้อยเพียงไรเพราะจำนวนของมนุษย์นี้ มีน้อยกว่าสัตว์เดราชฉานนะะมนุษย์รู้จักวิธีควบคุมกำเนิดด้วยโอกาสที่จะได้รับร่างกายของมนุษย์นี้จึงเป็นของยากแล้วอาจจะต้องรอคิวเพราะมีดวงวิญญาณมากมายที่อยู่ในวิสัยที่พร้อมที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ อย่างนั้นก็อาจจะต้องรอคอยไปเป็นเวลาอันยาวนานกว่าจะได้รับร่างกายอันใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้คือความยากของการมาเกิดเป็นมนุษย์รู้สึกในพระไตรปิฎกท่านแสดงไว้ว่ามีเต่าทุกมีเต่าอยู่ตัวหนึ่งทุกร้อยปีจะผุดขึ้นมาจากจากในน้ำ แล้วพอผุดขึ้นมาก็ไปเจอห่วงกลมๆที่สวมเข้าไปในคอทันทีโอกาสที่จะผุดขึ้นมาแล้วมาเจอห่วงที่รอยอยู่ในน้านี้มันก็ไม่ใช่เป็นของง่ายทุกร้อยปีผล่ขึ้นมาทั้งจะผล่ขึ้นมาจากน้ำสักเหนือน้าสักครั้งหนึ่งเราจะได้เจอห่วงที่ลอยอยู่ในน้านั่นหรือไม่ โอกาสที่ได้เจอนั้นมันก็ยากมากนี่คือเรื่องของความยากของการมาเกิดเป็นมนุษย์การได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้มีคุณค่าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือการได้มาปฏิบัติศึกษาพระธรรมคําสอนเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่เป็นกองทุกข์อันยิ่งใหญ่ของสัตว์โลกทั้งหลาย อ น, นี่คือประการที่หนึ่งการได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นของยากข้อที่สองการเกิดของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็เป็นของยากพระพุทธเจ้าของพระอของที่จะมาตรัสรู้มาประกาศพระธรรมำคําสอนให้แก่สารโลกนี้ไม่ได้มีอยู่เรื่อยๆ น, นานจะมีปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งในโลก คว่านานนี้ก็นานจนกระทั่งนับด้วยจานวนตัวเลขไม่ได้ท่านทรงเปรียบเทียบว่าถ้าทุกร้อยปีเราเอาภาพไปรูปภูเขาฮิมาลายหนึ่งครั้งให้ทำอย่างนี้ไปทุกร้อยปีจนกว่าภูเขาหิมาลายจะสึกหายไปอันนั้นถึงจะได้เวลาหนึ่งกับหนึ่งกันเป็นเวลาที่ยาวแสนนานแล้วก็ การจะมาเกิดการจะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดแต่ละครั้งนี่ก็ต้องใช้เวลาหลายแสนกับหลายแสนกันด้วยกันนันการเกยของพระพุทธเจ้านี้จึงไม่ใช่เป็นของง่ายเป็นของยากมาก น, นี้คือสองประการที่สำคัญของการที่เราจะได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรม ถ้าเราไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เช่นพบนี้เรามาเกิดเป็นนกเป็นแมว เ, เป็นสุนัขถึงแม้จะมาอยู่ในวัดอยู่ใกล้กับพระศาสนาแต่ก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้พระธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ไม่สามารถนำเอาไปปฏิบัติได้ต้องเป็นมนุษย์และมาพบกับพระพุทธศาสนาอย่างที่พวกเรากำลังได้พบกัน ในพบนี้ชาตินี้เมื่อเราได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ปฏิบัติเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์และต้องมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาถึงแม้จะเป็นมนุษย์ แต่ก็ไม่มีใครจะมาสั่งมาสอนวิธีการปฏิบัติให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเห็นว่าตายเกิดได้มันต้องมีสองอย่างที่หายากนี้ก่อนต้องได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจึงมาสู่ข้อข้อที่สามที่หายากสิ่งที่หายากข้อที่สามคือการดำรงชีวิตนี้ก็เป็นของยาก การที่เราจะอยู่ไปจนกระทั่งถึงอายุขยของร่างกายหมดไปนี่ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายไม่ใช่ทุกคนจะสามารถอยู่ไปถึงอายุแปดสบเกสปีได้บางคนเกิดมาวันแรกก็ตายแล้วก็มีพอคลอดออกมาจากท้องแม่ก็ตายบางคนก็ตายเจ็ดวันเกิดมาได้เจ็ดวันก็ตายบางคนก็เจ็ดบางวันบางคนก็เดือนหนึ่งก็ตาย บางคนก็ปีหนึ่งก็ตาย10ปีก็ตาย20ปีก็ตายมีตายอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าสิ่งที่จะมาคุกคามมาทำลายชีวิตนี้มีอยู่หลายสาเหตุด้วยกันมีภัยที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บจากเชื้อโรคต่างๆที่จะทำให้ชีวิตนี้สิ้นสุดลงได้ทุกเวลา แล้วก็ยังมีภัยจากธรรมชาติเช่นภัยจากไฟไหม้น้ําท่วมแผ่นดินไหวภัยที่มีพา ย, ยุเกิดจากพา ย, ยุแล้วยังมีภัยที่เกิดจากสัตว์ร้ายต่างๆแล้วก็มีภัยที่เกิดจากมนุษย์ที่มีความโหดเทียมทารุณโหดร้ายที่อาจจะมาทําร้ายชีวิตได้ทุกเวลานาที ดังนั้นการที่จะมีการมีชีวิตอยู่ได้เป็นเวลาอันยาวนานนี้จึงไม่ใช่เป็นของง่ายและเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าเราเกิดมาแล้วตายไปถึงแม้จะได้เป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแต่ถ้าตายไปก่อนได้ศึกษาได้ปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเมื่อเกิดมาแล้วเมื่อได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้ว ต้องมีชีวิตที่อยู่ยาวนานพอที่จะได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมนี่คือข้อที่สามของความของสิ่งที่หายากในโลกนี้คือการดำรงชีวิตอยู่นี้ไม่ใช่เป็นของง่ายจะตายกันเมื่อไหร่นี้ไม่มีใครรู้อาจจะตายวันนี้ก็ได้อาจจะตายพรุ่งนี้ก็ได้มีคนตายอยู่ทุกวันแล้วมีตายด้วยทุกวัยด้วยตายด้วย หลายสาเหตุด้วยกัน <Yeah. S 1> ข้อที่สามคือการดำรงชีวิตอยู่นี่ไม่ใช่เป็นของง่ายข้อที่สี่สิ่งเป็นข้อที่จำเป็นที่สุดหลังจากที่ได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและมีชีวิตอยู่แล้วสิ่งที่ต้องมีข้อก็สิ่งที่หายากข้อที่สี่ที่จะต้องมีก็คือการมีเวลาได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติธรรมนี เพราะว่าถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วก็มีได้สามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้ไปเรื่อยๆแต่แทนที่จะเอาเวลามาศึกษามาปฏิบัติธรรมกลับเอาเวลาไปหาความสุขจากโลกธรรมคือหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพชชนิดต่างๆ ถ้ามุ่งไปทางนั้นโอกาสที่จะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมก็จะไม่มี เ, เมื่อไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็จะไม่สามารถทำจิตใจให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อันนี้คือความยากสี่ประการด้วยกันที่จะเป็นเครื่องสนับสนุน ให้ผู้ที่ได้พบกับสิ่งที่หายากทั้งสี่ประการนี้ได้มีโอกาสหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พวกเราอาจจะไม่รู้ว่าเราเวียนว่ายตายเกิดกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานความทุกข์ที่เราได้จากการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันมากมายกายกองถ้าอยากจะรู้ว่าความทุกข์ของเรา ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีมากน้อยเพียงไรพระองค์ก็ทรงตัดว่าให้เอาน้ําตาที่เราหลังในแต่ละภพแต่ละชาติที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เวลาเรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้เราจะต้องเจอกับความทุกข์เจอกับความเศรา้าโศกเสยียใจต่างๆแล้วเราจะต้องหลั่งน้ําตากันถ้าเราเอาน้ําตาที่เราหลังนี้มารวบรวมกันในแต่ละภพแต่ละชาติแนละ้วน้ําตาที่เราได้หลั่งมานี้ มีมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรนั่นแนหะคือจํานวนพบชาติของการเวียนว่าตายเกิดของพวกเราทุกคนพวกเราเวียนว่าตายเกิดกันมาเป็นเวลาอันยาวนานแล้วก็จะเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดถ้าเรายังไม่ได้มาพบกับสิ่งที่หายากสี่ประการนี้คือไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์คือได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มีชีวิตอยู่เพื่อที่จะได้มาศึกษามาปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราไม่มาไม่มีเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมประโยชน์สุขที่จะได้รับจากการที่เราได้พบกับสิ่งที่หายากก็จะไม่เกิดขึ้นมา เพาการจะเกิดประโยชน์ได้นี้ต้องเกิดจากการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนศึกษาวิธีของการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อศึกษาแล้วรู้แล้วว่าเหตุที่จะมาพาให้มาเวียนว่ายตายเกิดนั้นเกิดจากอะไรก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติหยุดเหตุนั้นให้ได้ด้วยการสร้างเครื่องมือที่จะมาใช้ในการหยุด เหตุที่จะพามาให้ให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดถ้าได้สร้างเครื่องมือขึ้นมาเครื่องมือก็จะสามารถก็จะสามารถนำเอาเครื่องมือมาหยุดเหตุที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดได้เมื <ME> ่อหยุดเหตุละเหตุได้การเวียนว่ายตายเกิดก็จะสิ้นสุดลงจิตก็จะหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงเพราะความทุกข์นั้นนันก็เกิดจากการมาเกิดนี่ถ้ายังจากใดมีการมาเกิดอยู่ก็จะต้องมามีความทุกข์อย่างที่พวกเรากำลังเจอกันอยู่ทุกวันนี้ทุกข์ที่เกิดจากความแก่ทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์ที่เกิดจากความตายทุกข์ที่เกิดจากการพัดพาดจา ก, กาันเจอ ก, กันอยู่เรื่อย เราแทบจะมีความทุกข์อยู่ทุกวันเลยทุกกับเรื่องนั้นทุกกับเรื่องนี้ทุกกับคนนั้นทุกกับคนนี้ทุกกับสิ่งนั้นทุกกับสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาถ้าจะไม่ต้องการให้เจอกับความทุกข์เหล่านี้เราก็ต้องหยุดการเกิดให้ได้ถ้าเราหยุดการเกิดได้ความทุกข์ก็จะไม่มีสําหรับผู้ที่ไม่มาเกิดเราก็จะได้อยู่ในที่ที่สงบที่เต็มไปด้วยความสุข ที่เรียกว่านิ บ, บานังประมังสุขขังนิพพานเป็นบรลมัสุขนิพพานก็คือจิตของผู้ที่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองการที่เราจะหยุดพ้นได้เราก็ต้องมีเวลาศึกษามีเวลาปฏิบัติถ้าเราไม่ศึกษาไม่มีเวลาศึกษาไม่มีเวลาปฏิบัติเราก็จะไม่รู้สาเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดของเรา มาเกิดจากอะไรเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอยู่เรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราอยากที่จะหยุดติการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องมาศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วเราก็ต้องนำมาไปปฏิบัติศึกษาอย่างเดียวก็ยังไม่พอการศึกษานี้ก็เป็นเหมือนการดูแผนที่ ดูแผนที่ว่าเราจะไปที่นั่นที่นี่เราก็ต้องรู้ทิศทางของสถานที่ว่าตั้งอยู่ตรงไหนอยู่ทางเหนือหรืออยู่ทางใต้อยู่ทางตะวันออกหรืออยู่ทางตะวันตกแล้วเส้นทางที่จะพาไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นเป็นเส้นทางหมายเลขเท่าไหร่ชื่ออะไรเป็นต้นเราต้องศึกษาแผนที่ก่อนแต่ถ้าศึกษาแผนที่แล้วรู้แล้วว่าเส้นทางที่เราจะไป มีชื่ออะไรหมายเลขที่เท่าไรแต่ถ้าเราไม่ออกเดินทางเราก็จะไปไม่ถึงสถานที่ที่เราต้องการจะไปได้แต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาแผนที่ก่อนเราก็จะไม่รู้ทิศทางที่จะพาให้เราไปสู่สถานที่ที่เราต้องการจะไปได้ฉันใดการหลุดพ้นจากกองทุกข์ก็เป็นจุดหมายปลายทางจุดหนึ่งสำหรับผู้เดินทางผู้ ่อนที่จะผู้ที่เดินทางที่ยังไม่เคยไปที่สถานที่แห่ง น, นี้ก็ต้องศึกษาแนวทางก่อนดูแผนที่ก่อนหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องถามผู้ที่รู้ทางก่อนนะการศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นเหมือนกับการดูแผนที่หรือเป็นการสอบถามผู้ที่รู้ทางทางที่จะไปสู่วิมุติหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ผู้ที่รู้ทางก็มีพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้านี่หรือถ้าเราไม่สามารถพบกับพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกได้เราก็ต้องศึกษาจากพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี่คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรายึดถือเป็นสารณะเป็นที่พึ่งทางใจหมายถึงเป็นผุ เป็นผู้สั่งสอนเป็นผู้บอกทางนั่นเองเราเป็นเหมือนคนตาบอดเราไม่รู้ทิศทางที่เราต้องการจะไปว่าไปอย่างไรเราก็ต้องอาศัยคนตาดีเช่นพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนหรือพระอริยสงสารของพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนเป็นผู้บอกเป็นผู้นำทางนำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางเมื่อเรามีผู้บอกผู้นำทางแล้ว สิ่งที่เราต้องทำก็เราต้องเชื่อมีศรัทธาแล้วเราก็ต้องเดินตามคำสอนของท่านท่านบอกให้เดินตรงไปเราก็ต้องเดินตรงไปบอกให้เลี้ยวซ้ายเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายบอกให้เราเลี้ยวขวาเราก็ต้องเลี้ยวขวาถ้าเราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติแล้วท่านก็จะสอนให้เรารู้ว่าการที่เราจะไปถึงวิมุตติหลุดพ้นไปถึงพระนิพพานได้ต้องทาอย่างไรบ้าง เราก็นําเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วใจของเราก็จะสามารถละความอยากละเหตุที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดได้เมื่อละเหตุได้การเวียนว่ายตายเกิดก็จะสิ้นสุดลงสิ่งที่หายากข้อที่สี่นี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าเราได้สิ่งที่หายากสามข้อแล้วสามข้อแรกแล้ว โดยได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับการปรากฏการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแล้วได้มีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างต่อเนื่องได้ยังไม่ตายง่ายๆยังไม่ตาย ย, ตา ย, ยังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องหาเวลามาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติแต่ถ้าเราไม่สนใจไ ม, ไม่มีศรัทธาความเชื่อเรา หลงไปกับกระแสของทางโลกที่คิดว่าความสุขนั้นอยู่ที่การหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดตภะชนิดต่างๆเราก็จะไม่มีเวลามาให้กับการศึกษามากับให้กับการปฏิบัติดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องหาเวลามาให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติได้นี่เป็นสาเหตุที่พระพุทธเจ้า ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกําหนดวันพระขึ้นมาวันพระนี้ก็เป็นวันให้พุทธบริษัทผู้สนใจผู้ใฝ่ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้ปรารถนาวิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์ไดยุติการหาความสุขทางโลกไว้หนึ่งวันหยุดภา ร, รกิจการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหยุดการหาความสุขจากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดผ้าชนิดต่างๆ เพื่อมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันถ้าเราไม่มีวันพระเราจะไม่มีเวลาที่เรา <c oughs> จะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมแล้วเมื่อเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่ได้วิมุตติไม่ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นเราควรที่จะกําหนดวันพระขึ้นมาหนึ่งวันอาทิตย์หนึ่งนี้เราควรจะมีวันพระหนึ่งวัน ซึ่งวันพระสมัยนี้อาจจะไม่ตรงกับวันที่เราสะดวกคือวันที่เราไม่ต้องไปทํางานเพราะว่าการนับวันพระนี้ยังใช้ปฏิทินแบบเดิมอยู่ไม่ตรงกับการหยุดทํางานของคนในยุคปัจจุบันคนในยุคปัจจุบันนี้จะมีวันหยุดทํางานในวันเสาร์วันอาทิตย์แต่วันพระนี้จะเลื่อนไปเรื่อยจะเลื่อนเป็น อาทิต์นี้อยู่วันจันทร์อาทิตย์หน้าเป็นวันอังคารอาทิตย์ตัดไปเป็นวันพุธจะเลื่อนไปเรื่อยๆถ้าวันพระไม่ไปตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ผู้ที่ต้องทำงานก็ไม่สามารถที่จะหยุดทำงานได้ดังนั้นสมัยนี้ถ้าถ้าอยากจะมีเวลาให้กับการศึกษาปฏิบัติธรรมก็ต้องเปลี่ยนวันพระให้เหมาะกับวันของตนเอง ถ้าเราหยุดทํางานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เราก็เลือกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้มาเป็นวันพระแทนคำว่าวันพระนี้ก็คือวันศึกษาธรรมวันปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวรรวันฟังธรรมเรียกว่าวันพระศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมควบคู่ไปด้วยกันการศึกษาการปฏิบัตินี้สามารถทําไปได้ควบคู่กันไปศึกษาแนวทางของการดําเนิน เพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์เมื่อรู้แล้วว่าต้องปฏิบัติอะไรเราก็นำไปสู่การปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วใจก็จะสามารถละเหตุที่มาพาให้ใจมาเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วเมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะสามารถ ละความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้น้อยลงไปเหตุที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดได้เหตุที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็คือความอยากต่างๆนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นทุกข์เหตุที่พาให้มาเกิดแก่เจ็บตายเกิดให้เหตุที่พาให้ใจมาทุกข์ก็คือความอยากสามประการเรียกว่าการมตันหาความอยากเสษรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะ ภาวะตันหาความอยากนีอยากเป็นนอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็วิภาวะันหาความไม่ความอยากไม่เป็นความอยากไม่เป็นคนจนความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายเป็นต้นความอยากทั้งสามประการนี้แหละเป็นเหตุที่พาให้สัตว์โลกทั้งหลายอย่างพวกเราอย่างต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ถ้าเราอยากที่จะ ยุตยิการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องมาหยุดเหตุทั้งสามนี้หยุดความอยากทั้งสามนี้ให้ได้และการจะหยุดความอยากทั้งสามนี้ให้ได้ก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่พระเจ้าส่งมอบให้กับพวกเรานะมามาปฏิบัติก็คือการปฏิบัติทานศีลภาวนาการทำบุญทำทานการรักษาศีลการภาวนาที่จะทาให้เรานี้มีกาลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้ ถ้าเราไม่ปฏิบัติทานศีลภาวนาเราก็จะไม่มีกำลังที่จะมาสู้กับความอยากต่างๆได้เมื่อเราไม่สามารถละความอยากได้การเวียนว่ายตายเกิดของเราก็ยังต้องมีอยู่ต่อไปเรื่อยๆถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องมาทำบุญทำทานกันมารักษาศีลกัน แล้วก็มาปฏิบัติทำที่เรียกว่าการเจริญจิตตภาวนาเจริญส ม, มถาภาวนาคือการฝึกสมาธิทาใจให้สงบเจริญวิปัสสนาคือการศึกษาสอนใจให้เห็นสัจธรรมความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ที่ความอยากต้องการนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นความสุขถ้าเห็นว่าเป็นความทุกข์แล้วความอยากที่จะได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะหมดไป เมื่อไม่มีความอยากแล้วต่อไปใจก็จะหลุดพน้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นสิ่งที่เราจาเป็นที่ต้องมีสิ่งที่หายากประการสุดท้ายนี่เองเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเราได้พบกับการเกิดของพระพุทธเจ้าแล้วพอเราได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ยังมีชีวิตอยู่ สิ่งที่เราขาดกันตอนนี้ก็คือเวลาที่เราจะมีให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมเท่านั้นเองถ้าเราเอาเวลามาทุกประเทศเรากำหนดวันวันพระขึ้นมาหนึ่งวันให้ตรงกับวันหยุดทำงานของเราเราก็จะใช้วันพระนี้เข้ามาเอามาศึกษาฟังเทศฟังธรรมหาหนังสือธรรมะเพื่อรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องรือว่า ต้องทำทานอย่างไรต้องรักษาศีลอย่างไรต้องบำเพ็ญจิตตภาวนาอย่างไรถ้าเราสามารถทำทานได้รักษาศีลได้บำเพ็ญจิตตภาวนาได้ใจเราก็จะมีกำลังสู้กับความอยากได้และเอาชนะความอยากได้ในที่สุดเมื่อเราเอาชนะความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจได้หมดสิ้นแล้วเหตุที่จะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิด ก็จะหมดไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเราก็จะอยู่ที่นิพพานนิพพานก็คือจิตที่สะอาดบริสุทธิ์จิตที่ได้ชั่งละความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วจิตที่ไม่มาเกิดอีกต่อไปนี่คือจิตของพระพุทธเจ้าและจิตของพระอนันตสาวกที่ เมื่อก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันตสาวกท่านก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนอย่างพวกเราที่เป็นอยู่กันในขณะนี้แต่เนื่องจากท่านมีความสนใจที่จะศึกษาที่จะค้นคว้าหาวิธีดับทุกข์และเมื่อได้พบวิธีดับทุกข์แล้วท่านก็นํำมาไปปฏิบัติพอได้ปฏิบัติแล้วท่านก็สามารถพลิกจิตใจของท่านจากการเป็นปุถุชนให้กลายมาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันตสาวกได้ พกเราก็สามารถทำตามได้เช่นเดียวกันไม่ว่าเราจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนเัาเพศเหล่า น, นี้ไม่ได้เป็นตัวตัวตัวตัวเหตุที่พาให้เรายุติการเวียนว่ายตายเกิดตัวเหตุที่พาเรายุติิิการเวียนว่ายตายเกิดก็คือการศึกษาการปฏิบัติธรรมเท่านั้นถ้าเรามีเวลาศึกษามีเวลาปฏิบัติเราก็จะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ นี่ก็คือเรื่องของการหายากสี่ประการที่เอามาฝากท่านในวันนี้พอสมควรแก่เวลาต่อไปนี้เราก็จะมาฝึกสมาธินั่งทําใจให้สงบการนั่งสมาธิการทําใจให้สงบนี้ก็เป็นเครื่องมือสาคัญในการที่จะเอามาต่อสู้มาเอามาชนะความยากต่างๆเพราะว่าถ้าเราสามารถทําจิตใจให้สงบเราจะพบกับความสุข ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเมื่อเรามีความสุขที่ดีกว่าแล้วเราก็จะตัดความอยากที่จะไปหาความสุขจากเสงื่ออื่นๆได้ตัดหาความความอยากที่จะไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญได้ตัดหาความอยากที่จะไปหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้เราก็จะตัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้เมื่อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจ ใจเราก็จะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์อีกต่อไปดังนั้นตอนนี้เราจะมาฝึกวิธีหยุดความอยากด้วยการมานั่งสมาธิกันวิธีที่จะทําให้ใจเรานิ่งให้ใจเราสงบเราต้องมีสติคอยกํากับใจให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานที่เป็นอารมณ์เครื่องยึดเหนี่ยของจิตใจไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดลอยไปกับอารมณ์ความอยากต่างๆอ ถ้านั่งไม่มีสติปล่อยให้ใจคิดปล่อยให้ใจอยากใจก็จะไม่นิ่งไม่สงบแล้วใจก็จะวุ่นวายใจจะเดินแล้วจะทนนั่งต่อไปไม่ได้ถ้าอยากจะนั่งให้ใจให้สงบนี้เวลานั่งต้องมีสติกำกับใจให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งกรรมฐานนี้ก็มีหลายชนิดด้วยกันชนิดที่เราใช้กันทั่วไปก็คือพุทธานุสติก็คือการเราเลิกถึงพระพุทธเจ้า ด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปภายในใจอันนี้เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นอย่างเดียวที่เราสามารถจะใช้ได้ถ้าเราใช้พุโทโธไม่ได้เราก็ลองมาใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้เรียกว่าอาณาปานาสติดูลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกดูเฉยเฉยไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมใหด้ดูอยู่ที่จุดเดียวไม่ต้องตามลมเข้าตามลมออกให้รู้เฉยเฉยเพื่อป้องกัน เพื่อถูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดความอยากต่างๆท่านั้นเองถ้าเรายังดูลมไม่ได้พูดโธไม่ได้เราก็อาจจะต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปภายในใจในขณะที่เรานั่งสมาธินี้แหละสวดบทไหนก็ได้ที่เราจำได้สวดไปหลายๆรอบสวดไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะนิ่งจะเย็นจะสงบจะสบายแล้วเราก็า จ, จะเปลี่ยนมาดูลมหายใจต่อก็ได้ ถ้าดูลมหายใจได้อย่างต่อเนื่องมีสติใจก็อาจจะรวมเข้าสู่สมาธิได้พอใจเข้าสู่สมาธิใจก็จะนิ่งสงบว่างเย็นสบายเกิดความสุขที่มาสรยจใจขึ้นมาแทนเวลานั่งสมาธิต้องมีอะไรฝุกใจไว้แล้วอย่าให้ถูกอะไรมาล่อดึงใจไปเวลานั่งอาจจะมีสิ่งปรากฏขึ้นมาในใจอาจจะเป็นเสียงรอบข้างเราก็ได้หรืออาจจะเป็นรูปเป็น เป็นแสงสว่างหรือเป็นอะไรก็ตา่างอย่าไปสนใจของเหล่านี้เป็นของล่อหลอกใจให้เสียสมาธิเท่านั้นเองให้เราผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานถ้าเราดูลมก็ดูลมไปเรื่อยๆถ้าเราพุโทโธก็พุโทโธไปเรื่อยๆถ้าเราสวดมนต์ก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆอย่าหยุดทําไปแล้วใจจะนิ่งใจจะสงบพอนิ่งสงบแล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรใจจะไม่ดิน้นไม่ทําใจจะอยู่เฉยๆยังมีความสุขได้ ขอให้เราลองมาปฏิบัติกันดูตั้งแต่บันนี้ไปจนกว่าจะหมดเวลาประมาณสามสิบนาทีด้วยกันตอนนี้เวลานั่งสมาธิก็หมดลงแล้ว <c oughs> ก่อนที่เราจะเลิกทุกครั้งขอให้เราพิจารณาว่าเวลาที่เรานั่งแล้วจิตสงบนั้นเป็นอย่างไร แล้วก็เอาวิธีที่ทําให้จิตเราสงบนั้นมานั่งครั้งต่อไปจิตก็จะสงบได้เหมือนครั้งนี้อย่าไปอยากเวลานั่งครั้งต่อไปอย่าไปอยากให้มันสงบเพราะความอยากให้มันสงบมันจะไม่สงบมันจะทําให้จิตวุ่นวายต้องดูที่วิธีนั่งวาสติของเราดีไม่ดีต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องครั้งนี้นั่งอย่างไรจิตสงบดีทําอย่างไร คราวหน้าก็กลับมาทำต่อจิตเราก็จะสงบได้ทุกครั้งไปถ้ายังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังไม่ค่อยดีก็พยายามจเจริญสติให้บ่อยๆก่อนที่เราจะมานั่งพยายามบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนมีเวลาจำได้ตอนไหนก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วเราก็จะมีสติมากขึ้นไปเวลานั่งต่อไปเราก็จะได้มีสติอย่างต่อเนื่อง ครอบคุมใจให้นิ่งให้สงบได้ต่อไปนี้ก็จะขออนุโมทนาให้พรยะทาวะริวาหาปุราปะริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกปัปติอิทิตังปัทิตังตุมหังคิะเมวะสมิจะตุสเ พ, พปุเรนตุสังกะปา จันโทปณะระโสยถามณิโชติระสสยถาสัภีติโยวิวาจจันโตสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตาาโยสุขีธีขายุโกภวะ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 ผู้รับฟังนาคุติหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ท่านรวมทั้งหมดแปดรอยี่สิบหกค่ะถ้ามีคำถามก็อ่านได้เลยเชิญ ถ, ถามก่อนก็ได้หลวงพ่อครับขอญอาตถามครับปฏิบัติสมาธิเนี่ยพอดีผมทำแบบหายใจเข้าพุทธแล้วหายใจออกโทนะครับแล้วก็วางใจไว้กลางๆ จะสงบแต่ถ้าพุโทโธอย่างเดียวไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปปลุกกลมหายใจก็ไม่สงบครับเลยขอญาตถามหลวงพ่อว่าถ้าทำแบบนี้ได้ไหมครับได้วิธีไหนก็ได้ถ้าทาแล้วใจสงบครับแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ใช้พุโทโธอย่างเดียวบางคนก็ใช้ลมอย่างเดียวบางคนก็ใช้พุโทโธผสมกับลมครับได้ทั้งนั้นวิธีไหนก็ได้ที่ทําให้ใจนิ่งให้ใจสงบครับขอบพระคุณครับ ขอให้ดูผลของการปฏิบัติมันกินข้าวกินอะไรแล้วอิ่มก็กินอย่างนั้นถ้ากินไม่อิ่มก็อย่าไปกินกินขนมไม่อิ่มต้องกินข้าวถึงจะอิ่มอยากจะอิ่มก็เราก็ต้องไปกินข้าวถ้าไม่อยากจะให้มันอิ่มก็กินขนมไปกินเล่นๆไปพอเคี้ยวพอให้มันเพลิดเพลินดะงนั้นกรรมฐานนี้สามารถเลือกได้แล้วบางครั้งบางเวลาอาจจะต้องเปลี่ยนก็ได้ อันนี้อาจจะไม่ยอมอยู่กับพุโทโธกับลมก็ได้อาจจะต้องพุโทโธอย่างเดียวให้มันถี่ขึ้นก็ได้บางว่าถ้ามันฟุ้งซ่านมากอันก็ต้องคอยสังเกตคอยปรับเหมือนขับรถเนะ่ะต้องคอยเปลี่ยนเกียร์อยู่ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวรถมันถนนมันวิ่งช้าก็ต้องเปลี่ยนเกียร์ต่ำํำถ้าถนนวิ่งวิ่งเร็วได้ก็เปลี่ยนเกียร์สูงขึ้นไ ป, ไป แ, แต่สถานการณ์สภาพจิตใจของเราแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกัน วิธีวิธีเก่าใช้ไม่ได้ก็ต้องหาวิธีใหม่มาปรับเช่คำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิค่ะนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงรู้สึกปวดขาจนนั่งต่อไม่ไหวควรฝืนนั่งต่อไปไหมครับปวดรุนแรงแบบนี้จะเกิดความสงบได้อย่างไรการฝืนทรมานตนเองเป็นทุกขะกิริยาหรือไม่ครับ อ, อไม่หรอกถ้าเรามีสติดีมันจะผ่านความเจ็บได้อย่างสบายถ้าสติไม่ดีมันก็จะวุ่นไปกับความเจ็บมันก็เลยทรมานถ้าเราไม่สนใจความเจ็บเราอยู่กับคาบิกรรมพุทโธพุทโธไปความเจ็บมันจะรุนแรงขนาดไหนมันก็ไม่สามารถมากระทบใจเราได้เพราะฉะนั้นถ้าเรายังสติไม่ดีเราก็จะสู้กับทุกขเ ว, ท, ขเวทนาไม่ได้เราก็ต้องไปฝึกสติให้มากขึ้น อย่ามาฝึกสติเฉพาะเวลาที่นั่งสมาธิเท่นั้นพระเจ้าทรงสอนให้ฝึกสติตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยเมืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเลยอย่าปล่อยให้ใจคิดด้วยเปื่อยถ้ามีสติอย่างต่อเ น, นื่องเวลามานั่งสมาธิสติก็จะช่วยให้เราสงบได้เร็วแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับความเจ็บปวดของทางร่างกายได้คำถามจากทาง u t u b e ค่ะจากคุณพิสาร การปฏิบัติทานศีลภาวนาถ้าเราเน้นไปที่การรักษาศีลและการภาวนาแต่ไม่ค่อยได้ทำทานจะมีผลอย่างไรครับเ็ขึคนอยู่กับว่าเวลาเรามีเงินเราใช้เงินอย่างไรถ้าเงินไปเที่ยงงี้ก็ไม่ควรเอาเงินมาทำบุญทำทานแทนแต่ถ้าเราไม่มีเงินเลยก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องการทำทานการทำทานนี้เพื่อดึงใจไม่ให้เอาเงินไปใช้ในทางที่ผิด คือไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอันนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจเขารูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นเหมือนยาเสพติดเสพแล้วมันก็จะทำให้หิวให้อยากอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเงินเราเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดืม่มไปเล่นไปาหาความสนุกสนานเราควรยาเงินนี้มาทําบุญทำทานแทนเพราะการทาบุญทาทานนี้เหมือนกับการให้อาหารกับใจ เวลาทาบุญทําทานแล้วใจจะรู้สึกอิ่มรู้สึกสบายรู้สึกมีความสุข น, นนี้คือเป้าหมายของการทําทานถ้าเราใช้เงินไปในทางที่ไม่ถูกเราต้องเปลี่ยนวิธีใช้เงินให้มันถูกเอามาทําบุญทําทานแต่ถ้าเราไม่มีเงินเลยเนื่องจากว่าเรามีฐานะยากจนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องทําบุญทําทานให้เรามาฝึกสตินั่งสมาธิรักษาศีล ต, ต่อได้เลย คำถามต่อไปค่ะรู้สึกกลัวว่าถ้าทำดีมากเกินไปจะมีผีมาให้เห็นและขอส่วนบุญค่ะหนูกลัวผีเลยไม่อยากทาดีแบบสุดโตรงเพราะกลัวเห็นผีค่ะ เ, เรื่องไร้สาร ะ, ะทั้งนั้นไม่มีผีหรอกผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงนะผีจริงก็คือคนตายคนที่ตายไปแล้วดวงวิญญาณเขาก็เป็นผีไปเขาไม่มีเวลามาหลอกเราแล้วเาก็ไปรับผลบุญผลบาปของเขา ไอ้ผีที่มาคอยหลอกเรานี่เป็นผีที่เกิดจากความคิดของเราเองความคิดตุงแต่งของจิตพอไปอยู่ที่ไหนเงียบๆหน่อยพอเห็นอะไรขยับหน่อยก็ผีมาแล้วพอได้ยินเสียงหน่อยก็ผีมาแล้วอันนี้แหละคือผีหลอกไม่ใช่ผีจริงผีจริงเขาไม่มีเวลามาหลอกเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวผีคำถามต่อไปค่ะในระหว่างการบริกรรมถ้าเรารู้สึกเครียด แล้วพยายามทำใจให้เบาเบาเหมือนนุ่นได้ไหมเจ้าขาหรือการผ่อนลมหายใจทำได้ไหมเจ้าคาเป็นการเปลี่ยนอารมณ์ไหมคะลองทำดูสิถ้าเกิดความเครดก็ลองบริกรรมไปให้มันผี ท, ทีหน่อยหลายไม่ใช่บริกรรมแค่สองสามวินาทีแล้วก็หยุดเหมือนกินยามันบางทีต้องกินหลายหลายหลยหลายเม็ดด้วยกันหลายเวลาไปความปวดจะหายไป เวลาเกิดความคิดก็เปิดการพุทโธพุทโธพุทโธไปอาจจะห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีมันถึงจะหายแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆไม่หยุดรับประกันหน้ามันจะหายคำถามจากทางเฟซบุ๊ค่ะจากคุณเกมผมฝึกดูอัศวะใจไม่นิ่งเลยครับควรทำอย่างไรครับยังไม่พร้อมอัศวะนี้มันต้องเป็นจิตที่มีความสงบพอสมควรก่อนถึงจะใช้ได้ ถ้าจิตไม่สงบเห็นนาสุภาษแล้วบางทีเกิดอาการขยะแขยง ข, ขึ้นมาก็ได้บางคนเห็นเห็นนาสุภาษแล้วจะเป็นลมก็มีเห็นศพแล้วก็จะเป็นลมเพราะฉะนั้นต้องดูจิตว่าเราพร้อมจิตเราพร้อมที่จะพิจารณาสุภาหรือ ย, ยังถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าพิ่งไปฝึกสติทําจิตให้สงบให้เป็นสมาธิให้มากๆก่อนพอจิตมีความสงบมีความเย็ยนมีความนิ่งเวลาไปพิจารณาสุภาษจิตก็จะไม่รู้สึก อะไรจิตก็จะมีความมีมีไ ม, ม่มีปัญญาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามเราก็สามารถนำมาไปตัดการมาราคะได้เวลาเกิดการมาราคะขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณมิหลินค่ะมีสติกับการทำงานก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นสติแบบครึ่งทางคือสติเลี่ยงแ่ยังต้องใช้ความคิดอยู่ เวลาเราทํางานเราก็ต้องมีสติดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แต่ในขนณะเดียวกันเราก็ต้องคิดถึงวิธีการทํางานของเราว่าเราจะต้องตัดผ้าตรงนี้อย่างไรตัดตรงนั้นอย่างไรทําอะไรอย่างไรยังจะมีความคิดอยู่อันนี้เรียกว่ามีสติเพียงครึ่งเดียวคือมีใจจดจ่ออยู่กับงานแต่ยังไม่ได้หยุดความคิดสติที่เราต้องการนี้ก็คือต้องการให้มันจดจ่ออยู่เรื่องเดียวแล้วก็ให้หยุดความคิดด้วยเช่นพุโทโธพุโทโธพุทโธไป ให้อยู่กับพูดโธไปแล้วเราก็จะได้ไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้หรือดูลมหรือทำอะไรหรือใช้ใช้กรรมฐานแบบไหนก็เหมือนกันสติที่ถูกต้องต้องต้องไม่ลอยไปกับอารมณ์ไม่ต้องไม่ลอยไปกับความคิดต่างๆให้นิ่งอยู่กับสิ่งที่เรากำลังจดจ่อ ด, ดูอยู่เพียงอย่างเดียวคำถามต่อไปจากคุณละเอียดค่ะเคยจิตรวมได้สามหนตอนนี้ทาไม่ได้แล้วค่ะ ต้องทำอย่างไรคะทำใหม่สิเคยทำได้มันก็ต้องทำได้สิที่ไม่ได้ก็เพราะขี้เกียจถ้าขี้เกียจแล้วจนวันตายก็จะทำไม่ได้ถ้าขยันอาจจะครั้งนี้ไม่ได้ก็ครั้งต่อไป ว, วันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ทำใหม่รอบนี้ไม่ได้รอบหน้าก็ทำใหม่ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันต้องได้เองถ้าเคยทำถ้าเคยได้มาแล้วมันต้องได้สินี้คำถามมั่นค่ะ มีใครอยากจะถามอีกก็ถามได้น ะ, ะยกเข้ามาเลยม า, มาเอาไมโครโฟนที่ด้านหน้านี้อสอบถามครับพระอาจารย์ว่า อ, อในการเจริญสติในชีวิตประจำวันที่อาจารย์พระอาจารย์บอกว่าให้บริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยฮะคือปกติแล้วตัวเหมือนส่วนตัวผมเองเนี่ยบริกรรมพุทโธ ท, ที่ฐานกิอหน้าอกด้านซ้ายก็คือเวลาโลในชีวิตประจาวันเนี่ย เราผมเคยลองมานั่งพุโทโธผมสมมุติว่าผมค้าขายคนะับผ ม, มต้องนั่งเขียนบินอย่าเงี้ยครับเราจะนั่งคิดเลขแล้วพุโทโธพุธโทโธมันงั้นก็หยุดพุโทโธก่อนแล้วใช้สติดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแทนครับผมดูว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่กําลังเขียนหนังสือกําลังรับประทานอาหารกําลังแต่งเนื้อแต่งตัวกําลังทําอะไรก็เฝ้าดูอยู่ที่ร่างกายแทนไม่ต้องใช้พุโทโธสลับกันได้ถ้าเราไม่ต้องดูไม่ต้องทําอะไรเรานั่งเฉยๆแล้วก็พุโทโธพุธโทโธไปหรือดูลมไปก็ได้ อาจารย์ครับสอบถามเพิ่มเติมครับว่าถ้าเราจะมีวิธีที่จะอยู่กับคนรอบข้างหรือว่าสถานการณ์ที่เราไม่ชอบยังไงครับแบบตั้งๆที่ว่าแบบเราต้องอยู่ตรงนั้นเราลงแบบไม่ชอบเอาเสียเลยครับแล้วเราจะมีวิธีที่จะอยู่ตรงนั้นยังไงเพราะว่าเราต้องอยู่ตรงนั้นนะครับผมก็ดินฟ้าอากาศมองเข้าเป็นดินฟ้าอากาศฝนตกเราก็ต้องอยู่กับมันไปนาำท่วมเราก็ต้องอยู่กับมันไปเราไม่มีทางเลือกก็ต้องทําใจอย่างเดียว กัจใจเฉยๆไปอย่าไปอยากเปลี่ยนเขาความทุกข์เกิดจากความอยากให้เขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราปล่อยเขาเฉยๆไปเขาจะดีจะชั่วก็เรื่องของเขาไปเราก็มีสติอยู่กับการทํางานของเราไปอย่าไปสนใจเขาเขาก็จะไม่มารบกวนใจเราเราเหมือนเทียะอาจารย์บอกว่าเอเหมือนใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธหรือว่าดูกายดูลมหายใจอย่างนี้ก็แทนได้กันใช่ไหมไครับไ ด, ได้อย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปรับรู้เรื่องเขาคือ ท่องพุโทโธนี่ก็คือท่องในใจเฉยไม่ต้องที่ฐานจิตไม่ไ ม, ไม่อยู่ที่คําว่าพุโทโธท่านนี่ฐานจิตไม่มีหรอกฐานจิตมันอยู่ที่ความสงบมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายครับท่านอาจารย์ครับถามอีกเรื่องนึงว่าความเมตตาการเจริญพงศิหารสีหรือเจริญเมตตาเนี่ยคือการทําสมาธินี่เป็นการเจริญเมตตาอย่างหนึ่งไหมครับคือเมตตาจริงๆคือการเวลาที่เราพบปะ ก, กันแล้วเราให้ความสุขต่อกันนียกว่าเมตตา เวลาใครเขาทำอะไรไม่ดีเราก็ให้อภัยเขาเวลาเราจะทำอะไรเราก็ระวังไม่ไปทำให้เขาเสียหายเดือดร้อนอันนี้ถึงคือความเมตตาที่แท้จริงไม่ใช่เอามานั่งท่องสเพสตาเวลาโหนตัอันนี้ไม่ได้เป็นการทำเมตตาเป็นการทำสมาธิอย่างเี้ยใช้ใช้บทแผ่เมตตาเป็นบทสวดมนต์บางทีเรายังนั่งดูลมไม่ได้พุโทโธไม่ได้เราก็เอาบทแผ่เมตตามาท่องไปก่อน ทองไปเร่ๆแล้วเดี๋ยวใจก็จะเย็นจะสบายแล้วก็ค่อยมาดูลมแล้วมาพุโทโธต่ออีกทีพ่ออาจารย์ครับคือเหมือนวนตัวผมเนี่ยเคยก็บริการพุโทโธสะสมพลังจิตไปทุกๆวันแต่ว่าก็มันก็จะเกิดการให้อภัยขึ้นมาเองแบบเหมือนจิตวันหนึ่งจิตแบบจิตลกรองอารมณ์ไปเรื่อยๆแล้วก็เรก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะให้อภัยไปเองรู้สึกว่า เขาก็เป็นอย่างนั้นไปเองเหมือนผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือก็เมตต า, ตาที่เกิดขึ้นจากสมาธิเมตตาเวจน<ร>กรรมใช่จิตสงบเท่าไหร่ก็จะมีโอเบคามากขึ้นเมื่อมีโอเบคาก็จะแผ่เมตตาง่ายขึ้นครับพ่อแาจาย์ครับรถทําไมบางครั้งบางทีเราหยุดทําสมาธิไปหลายวันแล้วจู่ๆเรามากลับเหมือนว่าเราไปเที่ยวเัี้ยครับแล้วเราไม่ได้ทำสมาธิลาแล้วแล้วเรากลับมาเจอสถานการณ์เดิมๆ เ, เนี่ยเหมือนกับตัวผมเป็นโรคโรคส่งตัวคือโรคเครียดครับมันกําเริบมันปวดขมับมัน ก็เวลาไปเที่ยวเราไม่มีสติเงี้ยเราปล่อยให้ไหลไปกับอารมณ์ต่างๆอพอเรากลับมาแล้วก็มารับอารมณ์อย่างเต็มที่โดยไม่มีสติคอยยับยั้งถ้าเรามีสติเราก็จะไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เรารับรั้เวลาไปเที่ยวเราเพลิดเพลินี่ยเราปล่อยสติหายไปเสพอารมณ์ให้เต็มที่เลยเห็นอะไรสนุกเห็นอะไรชอบก็เอาเต็มที่เลยพอกลับมามื่เจออะไรที่ไม่ชอบก็เอาเต็มที่เหมือนกันก็เลยถูกหมัดน็อกไปเลยอ ครับก็ต้องกลับม า, าอยู่ใน้องทำนิ่งเฉยโมเดิรคเหมือนเดิมก็คือจะพุโทโธพุโทโธลมหายใจก็ได้หรือว่าดูกาก็ไ ด, ไดท้ทำให้ใจเรานิ่งไม่ไปวุ่นวายกับสิ่งที่เราสัมผัสรับรั้ครับครับขอบพระคุณครับอ่มาอไไมีท่านหนึ่งตอไปเลยท่าไหนกราบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะหนูนขอขากาสถ<น>าม ทุกวันหนูทําปฏิบัติในรูปแบบสับดูลมพุทโธดูลมหนูขอกาสถามหลวงพ่อว่าเราจะมีวิธีการดูจิตเข้าถึงจิตรู้ใจจิตของตัวเองได้อย่างไรคะก็ต้องฝึกสติสมาธิไปก่อนตอนนี้เรายังไม่มีเครื่องมือยังไม่มีสติไม่มีสมาธิยังมองไม่เห็นจิต แต่ถ้าเราทําจิตให้นิ่งให้สงบแล้วเราก็จะเริ่มเห็นจิตค่ะเห็นการเคลื่อนไหวต่างๆของจิตไปในทางธรรมะบ้างไปในทางกิเลสบ้างไปทางความโลภ บ, บ้างไปทางความเมตตาบ้างเราก็จะเห็นพอเราเห็นแล้วเราถ้ามันไปในทางไม่ดีเราก็หยุดมันพอมันโลภเราก็หยุดมันถ้ามันไปในทางเมตตาก็ส่งเสริมมันไปคการตาม น, นี้เรายังมองไม่เห็นเราต้องดึงดึงจิตให้เข้าข้างในก่อนจิตตอนนี้เราจะออกไปหารูปเสียงกลิ่นรส ไม่มองไม่เห็นจิตเห็นแต่รูปเสียงกดลดิ่นรสเวลานั่งสมาธิเราจะดึงจิตออกจากรูปเสียงกดลิ่นรสให้เข้ามาข้างในจิตค่ะเอจิตเข้ามาสู่ความสงบเป็นสมาธิแล้วก็จะเริ่มเห็นจิตเองแล้วตอนนั้นเราก็จะเห็นชัดเจนเราโกรธเราจะรู้ขึ้นมาทันทีกําลังจะเริ่มโกรธเราก็รู้แล้วกำลังเริ่มโลภเราก็จะรู้แล้วแต่ตอนนี้เราเห็นอะไรเราโลภเราไม่รู้เราว่าไอ้นั่นสวยนี่สวยอยากได้ขึ้นมาไม่รู้ว่าเกิดความโลภขึ้นมาแล้วค่ะ ฉั้ต้องฝึกสตินั่งสมาธิก่อนถึงจะสามารถไปดูจิตต่อไปได้ค่ะะฝึกสตินั่งสมาธิ อ, อย่างที่เราทําอย่างวันเนี้ยทำบ่อยๆทําเรื่อยๆแล้วต่อไปจะเริ่มเห็นจิตเองเห็นเริ่มเห็นอารมณ์ต่างๆปรากฏขึ้นมาในใจตูวรู้เท่าทันอารมณ์นะคะหลวงพ่อคะ่ะถ้ารู้เท่าทันก็ดีจิตโลภรู้โกรธรู้หลงก็ดีก็ต้องมารู้แล้วสิถ้ารู้แล้วก็ต้องตัดมันได้เสยตัดได้หรือเปล่า ตายความโลภความโกรธถ้าสติทันอารมณ์ตัดได้ค่ะแต่บางครั้งก็ไม่ทันค่ะหลวงพ่อค่ะก็ยังไม่ไม่ตัดไม่จริงเลยตัดความแก่ความเจ็บความตายได้ไหมล่ะปล่อยให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายได้ไหมค่ะกลัวความเจ็บหรือเปล่ากลัวความตายหรือเปล่าไม่กลัวค่ะไม่กลัวจริงหรือเปล่าเราไปอยู่ในป่าก็เคยเห็นรู้สึกว่าทุกวันปฏิบัติเห็น สภาวะเห็นตามความเป็นจริงใช่มันสภาวะมันสบายไงลองไปเจอสภาวะที่มันทุกข์สิเช่นช่วงแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่บนตึกสูงๆเนี่ยดีใจเป็นยังไงใจนิ่งกับใจหวั่นไหวหรือเปล่าค่ะต้องดูตอนนั้นตอนที่มันสบายมันมันดูไม่ออกอะต้องเจอเวลาเจอเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นมาค่ะเวลาใครเขาจะมาฆ่าเราอย่างเนี้ยถึงสิว่าจิตใจเราเฉยได้หรือเปล่าค่ะอย่าประมาท อยาไปคิดว่าตอนนี้มันเราเฉยได้เพราะตอนนี้เราอยู่ในเหตุการณ์ที่สบายที่สงบที่ปลอดภัยคเราต้องไปพิสูจน์ไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่ไม่ปลอดภัยหรือไม่สบายดูไปอยู่แบบอดอยาขาดแคลนดูสักสองสามวันหดข้าวสักสองสามวันดูค่ะเอหรือที่ว่าใจเราเฉยยังมีความสุขได้หรือเปล่าถ้ามันอยู่ดีกินดีมันก็สบายใจมันก็สบายแต่ถ้ามันอดอยาขาดแคลนขึ้นมา อไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งขึ้นมาอย่างเงี้ยอดูซิว่าใจเป็นยังไงตอนนั้นตอนนี้เราเพียงเนี่ยทำการบ้านยังไม่ได้เข้าห้องสอบค่ะเวลาไปเจอของจริงถึงจะรู้ว่าใจเราสอบผ่านก็ไม่ผ่านเข้าใจไหมเข้าใจาค่ะอันทาการบ้านไว้ก่อนอันดีแล้วเตรียมตัวไว้ก่อนขอบพรคุณค่ะถ้าไม่ทํ า, ทาการบ้านเดี๋ยวเจอเข้าสอบทําไม่ได้ค่ะ ข, ขอบพรคุณค่ะสาธุ คำถามจากผู้ฝากถามจากนักกุฏิค่ะการนั่งสมาธิเริ่มจับลมหายใจคาภาวนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งลมหายใจหายภาวนาหายจนเหมือนจะหายใจไม่ออกวงเล็บลมบางมากแล้วสะดุ้งทุกอย่างจึงกลับมาเบาขอโทษค่ะทุกอย่างกลับมาเบาสบาย อันนี้มาถูกทางไหมครับแล้วต้องปรับปรุงหรือทําอย่างไรต่อไปถ้ามันเบาสบายก็ถูกทางเป้าหมายของการปฏิบัติก็ให้มันนิ่งสงบให้มันสบายให้นั่งเฉยๆได้อย่างมีความสุขแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นอาะจะต้องต่อสู้กับกิเลสพอสมควรกิเลสมันจะดึงเราไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงเรื่องนี้ทํานู่ น, นทนํา น, นี่แต่ว่าต้องดึงมันกลับมาตอนนั้นช่วงที่นั่งสมาธิมันมีการต่อสู้กันเหมือนการชักกรเยอะกัน เราจะอยู่กับพุทโธมันก็จะไปนูน่นไปนี่นะเราก็ดึงมันกลับมาสู้กันไปสู้กันมาพอมันยอมแพ้ปับ๊บมันหยุดดึงใจไปให้ใจอยู่พุทโธอย่างเดียวได้ปับ๊บเดียวมันก็นิ่งสบายอย่างนั้นเราั่งสมาธิเบื้องต้นมันจะต้องมีการต่อสู้กันคำถามจากทางเฟ e b o o k ค่ะจากคุณประกาย ในท่ามกลางความวุ่นวายแต่เรายังสงบอยู่ภายในไม่ส่งจิตออกไปปรุงแต่งกับความวุ่นวายภายนอกเพียงแค่รู้ว่าวุ่นวายแต่ใจไม่วุ่นวายมีความรู้สึกตัวตลอดเวลาปฏิบัติแบบนี้ใช้ได้ไหมเจ้าคะใช้ได้ถูกต้องพทะเจ้าบอกเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินไม่ต้องไปมีอารมณ์กับสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้ คำถามต่อไปค่ะหากก่อนแต่งงานสามีภรรยาได้มีข้อตกลงว่าหากทำหรือไม่ทำสิ่งใดแล้วจึงจะตกลงแต่งงานกันแต่หากวันหนึ่งหลังจากแต่งงานฝ่ายหนึ่งไม่ทำตามสัญญาหนูควรทำอย่างไรคะกระทวงสัญญาเก็ได้ ถ้าไม่ถ้าเขาไม่ยอมทําต่างก็ต้องเลิกสัญญาก็เลิกกันอยู่กันก็อยา ก, กันไปตอนนี้ยังไม่มีค่ะโอเคมีใครอยากจะ่างไหมทางที่ดีอย่าไปแต่งงานดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่า <S <S <S <ๆ>เพราะไม่มีหรอกที่คนที่จะไม่ไม่เปลี่ยนทุกคนเปลี่ยนทั้ง น, นั้นอ่ะเวลารักกันช่ากันนี้บอกให้ชี้ฟ้าเป็นฟ้าชี้นกเป็นนกอะไแต่ถ้าพออยู่กันสักพักอนนี้มันเปลี่ยนไปนล้ว แังถ้าเป็นไปได้อยู่คนเดียวดีกว่ามาฝึกสมาธินั่งสมาธิหาความสุขจากการทําใจให้สงบดีกว่าถ้าเรามีความสุขจากการนั่งสมาธิแล้วเราไม่ต้องไปมีคู่ครองอีกต่อไปคําถามจากคุณสุมาศค่ะเมื่อเกิดการพัดพาจากของอันเป็นที่รักมันทุกข์ใจมากเลยครับผมลองภาวนาพุโทโธแต่มันยังไม่หายเศร้าใจเลยครับ เพราะเราพุ่งมาทำมันช้าไปเรกินยาเราต้องกินยาเคาะก่อนก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นมากินยาคุมเหมืนยาคุมกําเนิดนี้ถ้ามานกินตอนที่มันท้องแล้วมันช่วยไม่ได้แล้วะมันต้องกินก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกพุโทโธไว้เยอะๆก่อนก่อนที่จะมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นพอมีเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นเราก็ใช้พุโทโธพุโทโธอย่างที่วันนี้เรามานั่งสมาธิได้สาสนาทีเนี่ยจะช่วยได้มากเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ที่ทําให้เราทุกข์ล้วก็บางนั่ง นั่งสมาธิเดี๋ยวความทุกข์มันก็จะหายไปแต่ถ้าเราไม่ฝึกนั่งมาก่อนเราจะนั่งไม่ได้นั่งเราก็จะคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราเศร้าคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกข์มันก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้แต่ถ้าเรามาฝึกนั่งสมาธิอย่างนี้เรื่อยๆเป็นปนิสัยเราสามารถสั่งให้มันสงบได้ต่อไปเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาใจเราทุกข์เราก็ทาให้มันหายทุกข์ได้หมดแล้วนะโอเคมีใครอยากจะถามอีกไหม พยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นการทําการบ้านเป็นการกินยาล่วงหน้าไปก่อนป้องกันการการกําเนิดเราต้องกา ร, กา ร, การกามาหยุดการเกิดเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกสตินั่งสมาธิจเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะได้ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปอันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนํำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจิตรณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ